สจงมาดูโลกนี้พระพุทธภาสิทธะปัสสติมังโล ก, กังจิตตังลาชะระถูปะมังยัตถภาลาวิสีทันตินติสังโฆวิชานตังแปลว่าท่านจงมาดูโลกนี้อันตราการนี่คือสวยงามดุดราชรสที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาค้องอยู่ไม่อธิบาย ในทางธรรมได้แบ่งโลกไว้เป็นสคือ 1. สังขารโลกสสัตวโลก 3. โอกาสโลกที่แบ่งโลกเป็นสามนี้ยังไม่พบในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏในวิสุทธิมรรคเล่มหนึ่งหน้า262ตอนอธิบายพระพุทธคุณข้อว่าโลกวิถูทรงรู้จากโลกคำอธิบายในวิสุทธิมรรคนั้นค่อนข้างเข้าใจยากโอกาสโลก ท่านหมายเอาพื้นแผ่นดินและจักรวาลทั้งปวงส่วนสัตวโลกนั้นท่านอธิบายว่าหมายถึงอัธยาศัยของสัตว์ซึ่งหยาบบ้างประณีตบ้างสังขารโลกนั้นท่านยกตัวอย่างโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงมีชีวิตอยู่ได้โดยอาหารโลกสองคือนามและรูปโลกสามคือเวทนาสาตลอดจนโลก18คือธาตุสิปรวมความว่าสังขารโลกหมายถึงทำเครื่องปรุงแต่ง กรงกับสังขารในขันห้าและสังขารในปัจจยาการนี่เป็นคำอธิบายในวิสุทธิมรรคซึ่งค่อนข้าง เ, าเข้าใจยากสมเด็จพระมหาสม า, จามเจ้ากรมพระยาวชิระยานนวโรรสทรงอธิบายไว้ในธรรมวิภาคปริเชษ ท, ที่สองหน้า28ว่าสังขารโลกท่านหมายเอาสภาวะธรรมอันเป็นไปตามคติแห่งธรรมมีเบญจขันธ์เป็นตัวอย่างสัตวโลกได้แก่สังขารมีวิญญาณ คือวงเล็บอุปาตินกสังขารสงเคราะห์ทั้งในมนุษย์และสัตว์โอกาสโลกได้แก่แผ่นดินอันเป็นที่อาศัยแห่งหมู่สัตว์ทรงพิจารณาว่าไม่โปร่งพระไทยในสังขารโลกคือไม่ทรงแน่พระไทยว่าคำอธิบายนั้นจะถูกต้องเพราะคำว่าสังขารในที่อื่นๆหมายเอาทั้งสิ่งที่มีวิญญาณครองคือสัตว์และไม่มีวิญญาณครองคือพืชและสิ่งอันหาชีวิตไม่ได้อื่นๆ เช่นบ้านเรือนภูเขาเป็นต้นไม่ได้ไหมายเอาสภาวธรรมที่แยกกระจายออกไปทรงเห็นว่าเมื่อแยกสัตว์ออกเป็นสัตวตโลกแล้วสังขารโลกน่าจะได้แก่พวกพืชต่างๆแปลกจากสัตว์โดยไม่มีใจครองและแปลกจากโอกาสโลกโดยที่มันรู้จักเป็นรู้จักตายรวมความตามพระวิจารณ์ของสมเด็จว่าสังขารโลกคืออาณาจักรพืช สัตวโลกคืออาณาจักรสัตว์ส่วนในโอกาสโลกคือโลกที่เราอาศัยอยู่ในวิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามโล ก, กวิถูเพราะทรงรู้โลกและจักรวาลทั้งปวงคือโอกาสโลกทรงรู้ธรรมทั้งปวงคือสังขารโลกทรงรู้ปณิสัยอัธยาศัยต่างๆของสัตว์ทั้งปวงคือสัตวโลกคําว่าโลกในภาษาบาลีมีความหมายกว้างแปรผันไปตาม อาคาตสถานต่างๆคือที่มาในที่หนึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งในอีกที่หนึ่งมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งคำว่าโลกในพระพุทธภาษิตข้างต้นที่ว่าท่านจงมาดูโลกนี้อันตราการดุจราชรสนั้นพระอัตฉริาจารว่าทรงหมายเอาอัตภาพนี้คือกายนี้ตราการสวยงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆและด้วยการประดับตกแต่งรูปไร้ด้วยเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเป็นต้น อัตภาพคือกายนี้เป็นที่ที่คนเขาค่องอยู่ติดอยู่จมอยู่ส่วนท่านผู้รู้หาค้องอยู่ไม่ท่านผู้รู้ในที่นี้หมายถึงพระอริยเจ้าชั้นพระอนาคามีขึ้นไปผู้ตัดกิเลสเครื่องค่องคือกามราคะได้แล้วไม่ติดอยู่ในโลกคือกายนี้ส่วนปุถุชนคนธรรมดามีการติดในร่างกายทั้งของตนและของคนอื่นรุนแรงบ้างเบาบางบ้างเป็นายๆไป เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวรุรวรณารามทรงปรารบอภัยราชกุมารมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้อภัยราชกุมารทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งนครราชคฤื้แควนมคธคราวหนึ่งทรงปราบปัจจันตะชนบทที่กำเริบได้พระเจ้าพิมพิสารทรงพรอพระทัยมากถึงกับพระราชทานราชสมบัติให้ครองเจ็ดวัน พระราชทานหญิงนักฟ้อนผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องคนหนึ่งให้อภัยราชกุมารไม่ได้เสด็จออกภายนอกพระราชมนเทียเลยสเสวยสิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้นเจ็ดวันในวันที่8เสด็จออกไปสงสนานที่แม่น้ำวงเล็บแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์น่าจะเป็นแม่น้ำคงคาแล้วเสด็จเข้าไปยังราชอุทยานประทับชมการฟ้อนรำของหญิงนักฟ้อนอยู่ ขณะนั้นเองนางนักฟอ้อนได้ทาการกิริยาคือตายเพราะลมในท้องอันแรงกล้าประดุษศาตตาเหมือนหญิงนักฟอ้อนของสัน ต, ติมหาอมารรภเพราะอดอาหารมาหลายวันเพื่อให้ร่างกายอ่อนแอดูอ่อนช้อยขณะไรรังเ่ยขนาดนั้นนะอดอาหารหก็มาได้กล่าวมาแล้วในเรื่องสัน ต, ติมหาอมารรภ์วรที่ส ในเรื่องที่9อภัยราชกมุมารเศร้าโศกมากในเรื่องนี้ทรงดำริว่าผู้อื่นนอกจากพระศาสดาคงไม่มีใครสามารถดับความโศกของพระองค์ได้จึงไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงเปราะพระกุมารว่าที่ทรงเศร้าโศกอยู่ในสังสารวัตรนี้เป็นเวลาเกินที่จะคํานวณ น, น้ําพระเนตรได้ขออย่าได้ทรงเศร้าโศกต่อไปอีกเลยเพราะความเศร้าโศกถึงกายนี้ เป็นที่จมลงของคนเขาทั้งหลายพระศาสดาตรัสต่อไปว่าท่านจงมาดูโลกนี้อัตตราการดุจราชรถที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เมื่อจบพระธรรมเทศนาอภัยราชกุมารได้บรรลุโสดาปฏิผลบรรลุง่ายเนาะห้าผู้ยังโลกนี้ให้สว่างนะพระพุทธภาสิทธ โยจะปุเพปมัฏฐิตวาปัสสาโสนปมัฏติโสมังโลกังประพาเสติอัภามุตโตวจันติมาแปลว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังกลับไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายว่าความประมาทคืออาการวางใจ นอนใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือยังก่อนยังก่อนบางคนประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวยังไม่เป็นไรเวลายังมีอีกมากคุณความดีที่จะทำเอาไว้ค่อยทำตอนแก่ตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวสนุกไปก่อนหรือบางคนสนุกไปได้ไม่กี่ปีก็ตายเสยแล้วยังไม่ทันแก่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันข้ามลำดับได้ บางคนประมาทในความไม่มีโรคว่าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่โรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่มีกิจที่ควรทำหรือความดีใดๆเอาไว้ก่อนตอนนี้หาความสนุกและความเพลิดเพลินใส่ตัวเสียก่อนให้เต็มที่แต่ก็ไม่แน่สบายอยู่วันนี้พรุ่งนี้ตายเสียแล้วก็มีดูนางนักฟ้อนของอภัยราชกุมารในเรื่องที่สี่ดังกล่าวมาแล้วนี่เถิดไร้รำอยู่ดีๆตายไปเลย โลกปัจจุบันมันมีบางคนประมาทในชีวิตว่าชีวิตเป็นของยืนยาวกำหนดเอาได้ว่าจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าตามความเป็นจริงแล้วชีวิตเป็นของสั้นสั้นนิดเดียวกิจที่ควรทำยังทำไม่เสร็จความตายมาฆ่าเอาชีวิตไปเสียแล้วคนยิ่งอายุมากขึ้นก็มีเวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไม่ประมาทในวัย ในความไม่มีโรคและในชีวิตไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติสุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกอันหนึ่งทรงสอนไม่ให้ประมาทในการระวังจิตคือระวังจิตไม่ให้กำนัดในอารมณ์ที่แม้น่าจะกำนัดไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่น่าขัดเคืองไม่ให้หลงในอารมณ์ที่น่าหลงและไม่ให้มัวเมาในอารมณ์ที่น่ามัวเมา ท่านว่าบรรพชิตที่มัววุ่นอยู่กับกิจการงานต่างๆจนไม่มีเวลาศึกษาธรรมสาทยายธรรมและเจริญสมณธรรมชื่อว่าผู้ประมาทเช่นพระสมมัชนะเทระมีเรื่องย่อ ด, ดังต่อไปนี้เมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีพระเทระรูปหนึ่งเป็นผู้ขยันในการกวาดลานวัดมากใครๆจึงเรียกท่านว่า พระส ม, มัชนะเถระวงเล็บส ม, มัชชนะแปลว่าการกวาดหรือผู้กวาดท่านกวาดลานวัดแทบทั้งวันวันหนึ่งพระส ม, มัชชนะกวาดลานวัดไปเรื่อยไปพบพระเรวัตเถระนั่งพักกลางวันอยู่ณนะที่แห่งหนึ่งจึงกล่าวว่าท่านเกียรตคร้านมากบริโภคของที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาแล้วมานั่งนั่งนอนๆอ น, น, อ, นอยู่อย่างนี้ท่านควรจะ ก, กวาดวัดบ้าง พูดเท่านั้นแล้วก็เดินเลยไปพระเรวัตเถระต้องการจะให้โอวาทเธอจึงเรียกให้กลับมาอะไรครับท่านพระสัมมาชนะถามไปก่อนเถิดอาบน้ำเสร็จแล้วค่อยมาพระเรวัตบอกเมื่อพระสัมมาชนะอาบน้าเสร็จแล้วพระเรวัตจึงกล่าวว่านี่แน่คุณการที่เป็นพระแล้วเที่ยวกวาดลานวัดอยู่ทั้งวันนั้นไม่ควร ถ้าจะกวาดก็ควรกวาดตอนเช้าก่อนออกบินทบาทและเวลาเย็นก่อนค่ำเวลานอกนั้นควรใช้ไปในการสาธยายอาการ32ในการเจริญสมณธรรมในที่นั่งพักกลางวันหรือกลางคืนควรให้โอกาสแก่ตนในการประกอบอธิจิตกวาดกิเลสภายในเสียบ้างพระสมชนะธรรมตามโอวาทของพระเรวัตเถระไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลที่ที่ท่าน เคยกวาดกลับรกไปพิกสุหลายรูปถามท่านว่าเวลานี้ไม่เห็นกวาดลานวัดลานวัดรกไปหมดท่านตอบว่าเมื่อก่อนนี้ประมาทอยู่เวลานี้ไม่ประมาทแล้วพิกสุทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสัมมาชนะอวดมักอวดผลพระาศาสดาทรงรับรองคำของพระสัมมาชนะว่าถูกต้องคือเวลานี้ท่านสัมมัชนะ ไม่ได้ประมาทแล้วเมื่อก่อนนี้ประมาทอยู่ดังนี้แล้วตัดพระพุทธภาสิทว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังกลับไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นต้องฟังให้ดีเด้ไม่ใช่ให้ขี้เกียจเด้6 <laughs> ผู้ยังโลกนี้ให้สว่างวงเล็บสองนี่ยัตสะปาปังกตังกัมมัง กุศเลนะปะฮิยติโซมังโล ก, กังปภาเซติอาภามุตโตวจันทิมาแปลว่าบุคคลใดละบาคที่ตนทำไว้แล้วด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นก่อนอื่นเพึ่ทราบว่าบุคคลทำบาปเพราะยังมีกิเลส ยิ่งมีกิเลสมากเท่าใดก็ทำบาปมากเท่านั้นเมื่อมีกิเลสย่อมมีกรรมและวิบากอันท่านเรียกว่ากิเลสวัดกรรมวัดและวิปากวัดคือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมที่ทำแล้วย่อมบังเกิดผลกรรมดีให้บังเกิดผลดีกรรมชั่วให้บังเกิดผลชั่วกิเลสนั้นมีสาชั้นคือชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นหยาเรียกว่าวิติกรมกิเลส ออกมาทางกายวาจาเช่นการฆ่าการลักทรัพย์ปล้นสะดมการเบียดเบียนทางกายอื่นๆการพูดเท็จพูดส่อเสียดรวมความว่ากายทุจริตและวจีทุจริตเป็นวิติกรมกิเลสกิเลสนี้ละได้ด้วยธรรมคือศีลเพราะศีลเป็นสิ่งควบคุมกายวาจาชั้นที่สองเป็นชั้นกลางเรียกว่าปริยุท ธ, ธานะกิเลส กลุ่มรว ม, มอยู่ในใจเช่นความโลภอยากได้ของผู้อื่นความพยาบาทความเห็นผิดเป็นชอบความกำหนัดพอใจในกามหรือกามาฉัชันทะรวมนิวร อ, อื่นๆ อ, อ, อีกสข้อกิเลสนี้อยู่ในใจมีขึ้นเป็นขึ้นเจ้าตัวก็รู้ว่ามีกิเลสระดับนี้ละได้ด้วยธรรมคือสมาธิชั้นที่สเป็นชั้นละเอียดเรียกว่าอนุสัยคือกิเลสที่หลบซ่อนอยู่ ภาษาธรรมะลึกๆท่านเรียกว่ากิเลส ท, ที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานต้องถูกกวนแรงๆจึงแสดงออกมารวมความว่ามันอยู่ลึกไม่ค่อยแสดงอาการมันเป็นประดุดว่าไม่มีกิเลสอย่างนี้ท่านให้ละด้วยปัญญาถ้าจะเปรียบด้วยโรควีติกามกิเลสเหมือนโรคผิวหนังเห็นง่ายและชัดปริยตฐานกิเลส เหมือนโรคภายในที่ปรากฏอาการแก่ตนเองเช่นปวดหัวปวดท้องเจ็บหน้าอกหัวใจสั่นอะไรทำนองนี้แต่คนอื่นจะไม่รู้ถ้าไม่บอกถึงบอกเขาก็ไม่เห็นแต่ตนของตนย่อมรู้เพราะอาการโรคปรากฏชัดส่วนอนุสัยคือกิเลสนั้นหรืออนุสัยกิเลสนั้นเหมือนโรคซึ่งหลบอยู่ภายในไม่ปรากฏอาการนักเสมือนไม่มีแต่มีสังเกตได้ว่ามีต่อ เมื่อลองกินของสแสลงเข้าไปมันจะปรากฏตัวออกมาเมื่อกินยามันหลบเข้าไปอีกแต่ยังไม่หายขาดจนกว่าจะได้ยาที่ดีจริงปราบจนสิ้นเชื้ออนุสัยกิเลสนี้ท่านแสดงไว้7อย่างคือ 1. การ ม, มาราคะความกำหนัดในกาม 2. ปฏิฆะความหุดหิด 3. ทิฏฐิความเห็นผิด 4. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 5. มานะความถนงตน 6. ภาวะราคะความยินดีในพบเจ็ดอวิชชาความไม่รู้จริงภิกษุหรือนักพรตบางท่านทำความเพียรบำเพ็ญสมนะธรรมจนกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางสงบพรมงับไปแล้วเข้าใจว่ากิเลสสิ้นแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลให้ทรงทราบถึงผลแห่งการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าอนุสั ย, ยังอยู่จึงรับสั่งให้ไปพักที่ป่าช้าเสียก่อนคืนหนึ่ง บ้างวันหนึ่งบ้างพิกษุพวกนั้นไปเห็นศพหญิงสาวที่ตายใหม่ๆยังสดอยู่เกิดการมราคะขึ้นบางท่านเมื่อพักที่ป่าช้าในราตรีเกิดอาการกลัวขึ้นจึงได้รู้ว่ากิเลสของตนยังไม่สิน้นลักษณะของอนุสัยกิเลสเป็นอย่างนี้แหละดังได้กล่าวแล้วว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำบาปบาปนั้นบุคคลย่อมละมันเสียได้ด้วยกุศลคือศีลสมาธิปัญญา ศีลสำหรับละกิเลสอย่างหยาบสมาธิสำหรับอย่างกลางและปัญญาสำหรับอย่างละเอียดในสภาสวะสังวรสูตรมชิมนิกายมู ล, ลปนาฏพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองพระพุทธเจ้าทรงสแสดงวิธีละกิเลสไว้หกประการคือ 1. ทัศนะคือได้ดูได้เห็นอะไรให้มีโยนิโสมนสิการได้แก่พิจารณาอย่างแยบคาย พิจารณาโดยตลอดถึงต้นต่อถึงเหตุเกิดเหตุดับไม่เพียงแต่ดูหรือเห็นเฉยๆมีผลในทางทำให้คลายความคิด 2. ส, สังวระคือการสำรวมอินทรีย์หกได้แก่ตาหูจมูกกลิ่นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายหรือไม่ให้เกิดอภิชาโทมนัสเมื่อเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นวางใจอยู่ในอุเบกขาให้สักแต่ว่าเห็นหรือได้ยินไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทาน อานิสงส์ของการสํารวมอินทรีย์คือทำให้ใจสบายไม่ต้องเป็นาธาตุของอินทรีย์นั้น 3. ปฏิเสวณนะการพิจารณาปัจจัย4ก่อนบริโภคใช้สอยหรือกําลังบริโภคหรือบริโภคแล้วปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องลุ่งห่มและยารักษาโรคท่านสอนให้พิจารณาว่าเราบริโภคมิใช่เพื่อเล่นมิใช่เพื่อเมาแต่เพื่อให้ชีวิตดารงอยู่ได้ เพื่อป้องกันหนาวร้อนหิวกระหายป้องกันเหลอยบยุงเป็นต้น 4. อธิวาสนะคือความอดทนทนต่อความตรากตรำความเจ็บปวดและความเจ็บใจตลอดถึงทนต่ออารมณ์อันยั่วให้โลภโกรธหลงรักหรือชังหวิโนธนะคือบรรเทาได้แก่บรรเทาความตรึกในกามตึกในพยาบาทตึกในความเบียดเบียนการที่จะเลิกละอะไรนั้น ท่านสอนว่าต้องเริ่มต้นมาจากการพิจารณาเห็นโทษก่อนแล้วบันเทาและไม่ทำให้เกิดอีกจะทำสิ่งใดก็เหมือนกันค่อยๆเริ่มทำทีละน้อยไม่หักโหมเกินไปพระพุทธจริยาในการอดอาหารและเริ่มเสวยพระกยอาหารเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องนี้ 6. ภาวนาคือการเจริญโพชฌงเจ็ดได้แก่สติความระลึกได้ ธรรมวิจยะการเลือกเฟ้นธรรมวิริยะความเพียรปิติความอิ่มใจปัสิทธิความสงบกายสงบใจสมาธิความตั้งใจมั่นอุเบกขาความวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6คือรูปเสียงเป็นต้นบาปหรืออกุศลเป็นฆ่าศึกกับบุญหรือกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นอกุศลก็ถอยไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดย่อมหายไป ท่านจึงว่าบาปที่ทำแล้วละได้ด้วยกุศลผู้เช่นนั้นย่อมอย่างโลกวงเล็บคือใจของตนเองให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นกุศลนั้นท่านแบ่งเป็นสองระดับคือโลกิยะกุศลหนึ่งโลกุตระกุศลหนึ่งโลกิยะกุศลคือวัตคามีกุศลนั้นหมายถึงกุศลขั้นสามัญเช่นการรักษาศีลให้ทานยังอำนวยผลให้ต้องเกิดในโลกอีก ส่วนโล ก, กุตรกุศลหรือวัตคามีกุศลนั้นอำนวยผลให้พ้นจากโลกข้ามจากโลกได้แก่อรหัตมรดังที่ท่านหมายเอาในพระคาถานี้เรื่องนี้พระาศาสดาตรัตเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารทรงปรารพระอังคุลิมาละเถระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระองคุลิมาละเถระ ชื่อเสียงและประวัติของพระองค์คุริมาและรู้กันอยู่แล้วเป็นส่วนมากจึงไม่ต้องเล่าอีกให้พิสดารในที่นี้เล่าตามที่ปรากฏอยู่ในอัตถกถาพระธรรมบทเท่านั้นเรื่องพระองค์คุริมามีพิสดารในมันชฌิมนิกายมัชฌิมปัปปนาฏพระไตรปิฎกเล่มที่13หน้า477เรื่องย่อในที่นี้มีดังนี้เมื่อพระเถระบทในสำนักพระาศาสดาและได้บรรลุอารหัตผลแล้ว ท่านได้หลีกเลนไปอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งสเสวยวิมุติสุขเปล่งอุทานว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นครั้นเปล่งอุทานแล้วก็ปริติผ่านด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตคือดับอย่างไม่มีเชื้อเหลือภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโงรงรมว่าพระองคุลิมารเถระเกิดแล้วณนะที่ไหนหนอ พระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าพระองคุริมารนิพพานแล้วพระเจ้าข้าพระองคุริมารฆ่ามนุษย์มากมายแล้เกินพรินิพพานแล้วหรืออย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนนี้องคุริมารไม่ได้กัญยาณมิตรเลยแม้คนเดียวจึงต้องทำกรรมหนักถึงเพียงนั้นแต่ภายหลังเธอได้เราเป็นกัญญาณมิตรจึงเป็นผู้ไม่ประมาทบรรลุอรหัตผลพรินิพพานแล้ว บาปกรรมที่เธอทำแล้วนั้นเธอละได้ด้วยกุศลพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าผู้ใดละบาปกรรมที่ทำไว้แล้วด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นไอยังธรรมกะถาสาถายสมันเตหิสันละเคตาปาติ ก็เป็นส่วนธรรมบทคงประดับความรู้หรือได้ข้อคิดในการประกอบการปฏิบัติธรนม่ึึงจะเป็นตัวอย่างของพระอริยสาวกแต่ก่อนท่านดำเนินมาอย่างไรแล้วพระองค์ทรงตรัสอะไรบ้างนี่่งสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็น่าจะเป็นข้อคิด เพื่อไปนำนำไปพิจารณานะประกอบกับการปฏิบัติด้วยรพระธรรมยอมยังผู้ฟังให้เกิดความสุขไดนะ้ดังที่ท่านได้เคยตัดถึงอนิสงส์ถึงการฟังแม่ผู้แสดงเองก็ได้ความสุขจากการแสดงก็เป็นความจริงนะรมนะแต่ว่า เบื้องต้นก็คือต้องต้องพอใจในธรรมก่อนเนี่ยถ้าให้พอใจในธรรมเนี่ยคนแสดงก็ไม่ได้สุขคนฟังก็ไม่ได้ความสุขเนี่ยสักแต่ว่าแสดงยิงแสดงว่าเ อ, อ๊แสดงไปนี้จะให้ค่ากันเทศเท่าไหร่นอ <c ười> คิดแต่นี้ก็คงจะไม่มีความสุขในแสดงนี่แต่ก่อนว่าแสดงทําไปก็มอง เ, ออเขาจะวางใส่บาท เท่าไรน้อเขามีหยอดเซบาทเนนะี่ยสมัยก่อนกันเทศเทศไปก็เรือลายหยอดเสียงดังก้องแกงก้องแกงเหรียญ <c oughs> อีกอันหนึ่งผู้ฟังถ้าไม่พอใจในการฟังก็ไม่ได้อานิสงส์ในวันกันฟังไม่ได้พอใจหรืออาจจะพอใจแต่ว่าไม่ถูกใจ พอใจฟังไม่ถูกใจเนี่ยบางทีน้อยบ้างบางทีมากบ้างเนี่ยอารมณ์ทางใจก็เกิดความขุนมัวเศร้าหมองได้เหมือนกันเนี่ยถ้ามากเน็ตไหนโอยเมื่อไรจะจบเนาะพอแล้วใจก็ขุนมัวเศร้าหมองก็ไม่ได้อานิสงส์เนี่ยหรือฟังกำลังดีโอ้ยทำไมเสร็จเร็วจังเลยน่าจะเทศเยอะๆหน่อยเ้าไว คือธรรมะนี้ไม่มากไม่น้อยพอดีเนี่ยน้อยก็พอดีมากก็พอดีเนี่ยถ้าเรายินดีในธรรมนะถ้ายินดีท ร, ร ม, มากก็มีความสุขน้อยก็มีความสุขเนี่ยดีทั้งนั้นเลยนี่ลักษณะนี้ท่านว่ามีอานิสงส์ผู้แสดงมีความเพลินในธรรมได้พูดธรรมะได้เอาธรรมะ มาเผยแผ่เนี่ยก็มีความสุขไม่ได้คิดเรื่องอื่นคิดว่าสงเคราะห์อนุเคราะห์เนี่ยถ้าคนฟังมีความสุขผลสะท้อนกลับไปก็ควแสดงก็มีความสุขด้วยแต่ถ้าแสดงไปแล้วคนฟังไม่ได้เรื่องได้ราวนี้คนแสดงก็ไม่ได้สุขไปด้วยเหมือนกันอาจารย์ น, นิสงของการฟังแต่ว่าฟัง ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็เป็นความจริงนะเนี่ยเมื่อมาฟังบ่อยๆก็ได้ความชัดเจนเนทุกคนะหรือจะแทบทั้งหมดก็ได้นี่ฟังครั้งแรกมันยังไม่เข้าใจชัดอะไรหรอกเนี่ยอย่างโยมไม่เคยฟังฟังแล้วเนี่ยบางทีเดินไม่ถึงที่พักเนี่ยลืมแล้วถามไม่รู้เรื่องอะไรนึก <laughs> ไม่ออกเนี่ยนี่ได้ลักษณะดีทนว่า ฟังที่ให้เกิดอานิสงส์ต้องฟังซ้ำบ่อยๆเนี่ยการฟังเรื่อยๆบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังเมื่อไม่เข้าใจชัดก็จะเกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เคยสงสัยในธรรมะหัวข้อใดๆมา เ, เมื่อฟัง บ, บ่อยๆก็หายสงสัยหายสงสัยในข้อธรรมนั้นๆ แล้วจิตใจก็แช่มซื่นเบิกบานเนี่ยมีความสุขจิตใจเป็นกุศลเนี่ยใต้ในคณะนั่นก็ไปดี <c oughs> ตายในคณะนั่นตายอยู่ด้วยธรรมโอ้เรียกว่าตายอยู่กับธรรมะหรือตายอยู่กับอาสนะนั่งฟังธรรมเนี่ยมันมีอนิสงส์นี่ไม่ไปนรกนะไม่ไปนรกเนี่ยนี่แหละท่านว่าฟังธรรมถึงได้อานิสงส์ได้บุญเนี่ย ผู้แสดงก็แสดงด้วยการสงเคราะห์ท่านว่าไม่แสดงทำกระทบคนโน้นคนนี้ไม่ยกตนข่มท่านนะไม่แสดงเพื่อจะว่าอคนนั้นคนนี้กระทบกระแทกกันเหมือนกับเทศโตวาทะกันเอาชนะกันนะไม่ได้แสดงลักษณะนั้นแต่แสดงด้วยความมนุเคราะห์หวังเพื่อจะให้ผู้ฟัง เข้าใจเนี่ยตั้งใจจะอธิบายเนี่ยให้เกิดความเข้าใจเท่าที่ตนเองมีความสามารถที่จะอธิบายได้เนี่ยเนี่ลักษณะของการแสดงเนี่ยนี่ยถ้าได้ทําลักษณะจิตใจของผู้แสดงก็มีความบริสุทธิ์ก็ได้ความสุขจากการแสดงจากการบอกเนี่ยการแสดงทำไม่ได้ไหมเพราะว่าพระตมองมพูดมาเทศอย่างนี้นะเนี่ย การที่เราให้ธรรมะแก่ใครสักคนหนึ่งก็คือการแสดงธรรมเนี่ยแต่ก็มีองค์อย่างที่ว่านหะลวงพ่อชาติถ้าเราจะให้ธรรมะใครโดยเฉพาะโยมนี่นะโยมกับโยมนะโยมกับโยมนะถ้าจะสอนใครสักคนหนึ่งหรือให้ทมใครหนึ่งต้องถามตนเองเสก่อนนีถามตนเองว่าให้เขาแล้วถ้าเขาไม่รับใจเราจะเป็นอย่างไรนี่ให้เขาแล้วก็สอกกลับมาจะเป็นอย่างไร ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะซึ่งมันมีปัญหานะบางทีเจตนาดีกับเขาแต่เขาไม่เอาเก็ทุกข์เหมือนกันนะดูสิเนี่ยอุตส่าห์ให้ของดีมันยังไม่เอาอีกโมโหคนนั่โมโคหโมโคนรับกับมีอารมณ์อีกเอาแทนที่ธรรมะจะเกิดประโยชน์กลับให้โทษทั้งสองฝ่ายธรรมะเป็นสภาพที่เย็น เป็นความสงบอาจารย์เราก็ต้องสงบถ้าสร้างเจตนาดีให้แล้วเขารับไป็รับก็ช่างเขาก็ยังไม่พร้อมเราก็ถือว่าเราทําดีแล้วก็รักษาวความดีของเราสิแต่ไปโกรธไปเกลียดเขาทําไมนี่เขายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเราทําหน้าที่ของเราเราเจตานาดกกีก็ดีแล้วเนี่ยเราก็ยินดีในความดีของเราเนี่ยก็พอแล้วเนี่ยส่วนเขายังรับไม่ได้ก็ยังไม่มีอุปนิสัยหรือยังไม่พร้อมเนี่ย แล้วอีกประการหนึ่งเขายังไม่ศรัทธากับเราเขาไม่ศรัทธาในตัวเราเขาก็ไม่เอาด้วนี่หลักสําคัญเหมือนกันนะการที่จะบอกใครสักคนหนึ่งหรือหลายคนก็ตามนี่ถ้าเขาไม่ศรัทธาแล้วไม่มีผลอะไรหรอกลังแต่จะว่าเราอีกด้วยี่ถ้าลักษณะนี้ท่านว่าไม่พูดดีกว่านี่รักษาธรรมไว้ซะดังนั้นการที่จะให้ใครนคนนั้นก็ต้องศรัทธาน มีศรัทธาที่จะรับพร้อมที่จะรับเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนี่นี่อย่างแสดงธรรมคนไม่ตั้งใจฟังเนี่ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ใจในธรรมก็ไม่รู้จะแสดงไปทําไมเนี่ยจากนั้นจึงถือเอาแบบครูบาอาจารย์ถ้ากําลังแสดงคนคุยกันโซ้งเซ้งไม่ได้ใส่ใจก็หยุดเอาเฉยเนี่ยไม่รู้จะทําไปทําไมไม่ได้ประโยชน์เหน็ดเหนื่อยเปล่าเนี่ย แม้จะให้กันเทศเท่าไหร่มันก็ไม่เอาเล่นถ้าคนเคารพในธรรมหนักในธรรมไม่แสดงธรรมเพื่อลาภเพื่อยศเพื่ออะไรเนี่ยแต่เพื่อการทรงก็ อ, อนุเคราะห์ให้คนเกิดความเข้าใจหลายครั้งไล่คลาก็เอวังหลายครั้งอยู่บนกันเนี่ยทำไมถึงเอวังดูแล้วคนไม่ใส่ใจสนใจมากนี่ไม่รู้จะว่าไปทําไมนะอาจารย์ทํำไมเทศจบเร็วไม่จบได้ ย, ยังไงก็เป็นอย่างนี้เนาะ <c ười> คุยกันโซงเซ้งโซงเซ้งอย่างนี้มัน เอกอันหนึ่งมันไม่เป็นโทษต่อคนฟังด้วยเนี่เพราะการฟังไม่เคารพนี่เป็นโทษเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เคารพในธรรมเนี่ยก็เป็นกรรมเหมือนกันนีกรรมหนักเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวตายไปไปเกิดเป็นอะไรนะ <c oughs> ไปเกิดเป็นนกแกว้วนกขนทองเนี่ยสนทนากันเจียวเๆ้าเจยเ้าเเจ้าเนีคุยกันเลหรือเป็นนกกลางหัวขาว อยู่วัดเราก็มีหัวคำที่มันเที่ยงกันนีเ้าเช้าเๆ้ า, าก่อนเราจะมาสวดมนต์เนี่ยนะไปเป็นนั่นนะะถ้าคนหนึ่งนอนก็ไปเป็นงูเหลือมท่านบอกก่ <c oughs> อนนอนเป็นงูเหลือมฟังธรรมแล้วนอนหลับเป็นงูเหลือม <c oughs> จริงหรือเปล่าวิจรารณากันแล้วกัน <c oughs> บางคนฟังไม่ใส่ใจแต่บัวแต่ไปทำอะไรก็บารลุขีดขิดเ ข, ขียนเขียนอย่างนั้นนะตายไปเป็นนักหมอดูหมอเดาไปพวกนี้ เขียนเขีนเเออนีมันหลายอย่างอันนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของมันเองแหละนี่อาจารย์ท่านเจงเลยว่าให้เคารพในธรรมนเทำย่อมทําให้เกิดสุขนเอ่ถ้าเรามีความตั้งใจนี้ทําหัวข้อธรรมหัวข้อเดียวเนี่ยให้เกิดสุขได้เหมือนเราฟังธรรมบดีนี่แหละนี่ บทคือหัวข้อแต่ละข้อแต่ละข้อที่พระองค์ตัดนี่เราจะยิ่งขยายความออกไปให้เข้าใจโอ้ยิ่งเกิดความซึ้งใจยได้ข้อคิดทำให้เราได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจนี่ถ้ายังคิดไม่ได้ก็พอได้ยินได้ฟังได้คิดพอได้คิดก็กลับเนื้อกับตัวกลับใจนี่ความทุกขหรือบาปนี้ถ้ามันยังไม่ผลนี่มันก็เพลิดเพลินนะ เพลิดเพลินสนุกสนานนะแต่เวลามันให้ผลโอ้ยไม่ธรรมดาเนาะเนี่ยเหมือนกับวันที่เฝาศพหลวงประชุมนะที่มีโยมมาเนี่ยคงไม่เสียหายเนาะว่าคือเป็นอุปกรณ์ดีเหมือนกันเขาก็สารภาพด้วยร้องให้ร้องให้เนีกำลังยุ่งอยู่ว่าจะไม่รับว่าจะไม่คุยด้วยนะ แต่ยโยมเาอกวาอ้อนาสเขาร้องให้ตลอดเลยเขาทุกข์มากอย่างน้อยก็ได้คุยกับพระสักองค์หนึ่งก็เอาก็บอกให้เขาได้คุยแต่ออพอคุยดูเขาว่าเขาเพิ่งสำนึกตัวได้เขาทำบาปกรรมมากเลยจนกระทั่งเกิดปัญหา เ, เกิดปัญหาในครอบครัวทั้งแม่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยทุกข์มากร้องให้พูดไปก็ร้องให้ไป นี่เห็นแล้วก็บอกเห็นแล้วทุกมันให้ผลกรรมจริงๆก็บอกกรรมมันให้ผลถ้ายังยังไม่ให้ผลนี่มันไม่รู้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ครอบครัวก็แตกระสำลสายนลยเพราะเราแท้ๆด้ยไม่ใช่คนอื่นเนี่ยเพราะเราสํานึกได้นี่ยบอกก็ไปทําอะไรบ้างเลยเขาว่าแหมทําไม่ดีเขาห้ามแล้วไม่ฟังแม่ห้ามก็ไม่ฟังนี่แล้วก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจในคําพูดเลยเนี่ย นี่พอผลมันเกิดขึ้นจริงๆนะโอ้ยบอกว่ามันไม่รู้จะทำยังไงเห็นว่าจะมานยังไม่มาบอกว่าต้องไปมีลูกอยู่ต้องไปส่งลูกเคลียร์งานสักหน่อยก็จะเข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีนะเรื่องเดียวกันด้วยตรง <c oughs> มีสองลายวเนี่ยเนี่ก็กเรื่องอะไรไปมีภรรยาใหม่ก็บอก นี่มันเรื่องโลกแตกเหมือนกันนะนี่คนก่อนก็เหมือนกันนะคนก่อนมาก็ทุกเรื่องนี้เหมือนกันนะทุกลองให้นอนไม่หลับจนเครียดจนสั่นไปทั้งตัวเลยเครียดมากนะทำอะไรไม่ถูกนี่นี่ก็เลยบอกว่าน่าสงสารว่าเอาถ้างั้นไม่ต้องกลับบ้านอยู่วัดเถอะอยู่วัดแล้วให้ทำยังไงอาจารย์เขบอก เราก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มันเลจะแนะนำไงดีเนาะมันทุกมากอะอย่างนี้ก็แล้วกันนไป้าไปในโบสถ์ให้มาโบสถนี่แหละมาโบสถแล้วกราบพระตั้งใจนะอธิษฐานจิตนผิดไปแล้วก็ให้มันแล้วนะแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ทําอีกถ้าตั้งใจอ ย, อย่างนี้มันจะเบามันจะลดลงแล้วให้สวด ยติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเนี่ยเมตตพุทโธพุทโธเราสวดจบเลยยติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนเนี่ยวนไปนะัเนี่ยเพื่อให้จิตใจมันจะได้ไม่คิดไปทางอื่นไงให้มันอยู่กับคําสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยได้ผลเหมือนกันนะอยู่สามสี่วันได้ผลใจดีขึ้นยิ้มแย้มได้หน่อยแต่ก่อนหน้าเศร้ามองโอ้ย ผิวพันเศ้ามองมากเนี่ยพอมีอุบายลักษณะนี้มาเจริญสมาธิภาว น, นาบ้างอะไรบ้างดีขึ้นอสบายขึ้นสงสัยสบายแล้วเลยไม่มาวัดเลยคนเราเนี่ก็แปลกนีพอสบายแล้วก็ดืมเลยพอทุกมาก็อา้าวฝุ่นฝายมาอีกแล้วพอหายแล้วก็ลืมเป็นลักษณะของโลกก็เป็นอย่างนั้นแหละ ดังนั้นทำนี่ทำให้เกิดสุขได้จริงดับทุกข์ได้จริงนี่ยไม่ต้องรอนะีไม่ต้องรอชัด น, นะเนี่ยทุกข์ถ้าจับประเด็นได้นะมาศึกษาธรรมะจริงๆก็สามารถบรรเทาทุกข์ได้จริงๆนี่ไม่ว่าสมัยไหนสมัยก่อนสมัยนี้ก็เหมือนกันเนี่เหมือนองค์ุลิมาเนี่ยไหมล่ะคับฟังเมื่อกี้นี่ว่าแต่ก่อนท่านไม่รู้นะโอ้ทุกข์นี่พอ ความเห็นปรับความเห็นถูกต้องออได้สติเข้ามาปฏิบัติถ้าจะว่าเวลาท่านตั้งจิตอธิษฐานลยโอตั้งแต่วันนีนะ้จะไม่ทำมันอีกเลยนะลงผิดมาเนกะือบจะไม่ไหวเกือบจะไม่รอดเลยนะก็เลยตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานว่าตั้งแต่วันนี้เราจะล้มจะตายจะเป็นอะไรก็จะไม่ทำเด็ดขาดเลยนะอธิษฐานจิตมันก็กระโดดไปเต็มที่เลย <N> เรียกว่าจากจากบาปไปหาบุญนะแล้วจะไม่ทำบาปอีกนะทำแต่บุญอย่างเดียวเนะี่ยนี่มันก็เลยจากหน้ามือเป็นหลังมือจากดำไปหาขาวเนะี่ยมันก็ไปได้ น, ะนี่เหมือนคนนี้จากที่ฝั่งที่มันเต็มไปด้วยอันตรายนะี่ว่ายน้ำข้ามน้ำมาเนะี่ยรอดตัวมาได้นะโอ้ยไม่กลับมันไปอีกแล้ว อย จ, จ้างเท่าไหร่ก็ไม่ไปให้เท่าไหร่ก็ไม่ไปอีกแล้วรู้มันแล้วเนี่ยทำนองนี้นะเห้เข็ดมันแล้วลาบมันแล้วไม่เอาละอยู่ฝั่งนี้จะเอ่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ยังสบายใจกว่าเนีนีนั่นก็นเรียกว่าเป็นผู้หลีกหนีจากบาปอากุศลเนี่ยห้ยพ้นจากบาปอากุศลจะกลับไปอีกไม่ใช่ฐานนะเหมือนพระ อ, อริยเจ้าท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยจะให้กลับไปทําชั่วไม่ไม่ใช่ฐานนะเนี่ย จะให้ทำบาปด้วยเจตนาไม่ใช่ฐานะเนี่ยเอ่เปนแต่ว่าเล็กๆล็น้อยน้อยนเป็นเรื่องสุดวิสัยเดินไปทำโน่นทำนี่บ้างนะซึ่งไม่มีเจตนาตรงนั้นเอมันก็ไม่บาปอยู่ดีเเออพราะท่านไม่ได้ติดใจในตรงนั้นไม่เจตนาในตรงนั้นเอเพราะศีลหรือบาปในส่วนของศีลนี่อยู่ที่เจตนาเนเอถ้าไม่เจตนามันก็ไม่ผิดศีลน รู้อยู่แล้วคิดจะทำแล้วพยายามทำในสิ่งนั้นแล้วก็สำเร็จนั่นคือองค์ของของศิลป์แต่ไม่รู้ไม่เจตนาไม่มีความพยายามอะไรนีแต่มันเหตุบังเอิญอุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุด้วยบังเอิญก็ทำให้สบายใจขึ้นฉะนั้นการศึกษาทำการฟังทำก็ มีพ้นดีทำให้เราได้ความรู้ในด้านธรรมะเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยจะอยู่ในเพศไหนภาวะใดก็ตามเนี่ยถ้ามีธรรมะแล้วอุ่นใจสบายใจแล้วยืนเดินนั่งนอนนี่สบายเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนที่ดีที่สุดคือธรรมเนี่เพื่อนนอกนั้นไม่ใช่เพื่อนแท้เนี่ย เพื่อนที่เดินได้ยั่งอันตรายไว้ใจไม่ได้เนี่ยดีขนาดนี้มันก็เชื่อไม่ได้เนี่นี่ถ้าเพื่อนคือธรรมพระพุทธเจ้านแน่นอนหรือเพื่อนคือพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นแน่นอนเป็นเพื่อนแท้นี่ไปที่ไหนก็นึกถึงก็สบายใจแล้วก็ท่านอนุเคราะห์ตลอดเวลาทุกเมื่อเนี่ยวันนี้แล้วจะดึกเนาะเอาแค่นี้ก่อนเนี่ย ไม่เ uh,